ทนก็ดีนิ่งยก็ดีเรียกว่าสาธนาต่ำนีคือเครื่องขัดเกลาสิ่งที่ศกระปรกทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะแล้วทำให้ศาสตร์กระจายออกมาทางกายวาจาความประพฤต จนไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งเหล่านี้เป็นความตะกบโปรกอยู่ในหลัธรรมชาติของมันแต่ต้องมีที่เกาะที่อาศัยไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติของตนโดยโดดเดี่ยวนี่เขอาศัยจิตของสัตว์โลกเป็นที่เกาะที่ยึดแล้วเกิดขึ้นที่ <c oughs> เกิดขึ้นที่นั่น เหมือนกับสระหนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กแล้วกัดเหล็ให้เสียไปได้เช่นเดียวกันคำว่าสาธนณธรรมนั้นนั่นแหละคือธรรมชาติเครื่องถัดเก่าหรือซักฟอกชำระล้างหรือสังหาร แล้วแต่จะนำไปใช้ในกิริยาอันใดที่เหมาะสมกับสิ่งที่อยู่ภายในอันเป็นของไม่เปลืปรานานั้น <c oughs> คำว่าปรากก็หมายถึงสิ่งภายในนั้นเป็นธรรมชาติที่โหดร้ายทารุณไม่ยอมฟังเสียงแม้เจ้าของ คือตัวเราเองเลยหนึ่งดื้อ ด, ด้านหานคิดหานฝุ่งหาน ร, รักหานชอบหานเกลียดหานโกรธหานโลกอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อ ต, อตาทั้งๆที่มีสติมีเรียกว่าสิ่งที่ผาดโผนจนทยานอันเป็นฝ่ายต่ำหากเราจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันนั้น จะมีแต่ความเสียหายโดยไถ่เดียวจนถึงกับใช้การงานอะไรไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่หายใจปลอดๆมีชีวิตอยู่นี่แหละแต่เป็นคนที่หมดคุณค่าได้เพราะการต่อยตามสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมันด้วยเหตุ น, นี้จึงต้องใช้ใชคําว่าป ร, ราบกิยาแห่งการต่อสู้ดุจปราบปรามสิ่งหล่านี้เป็นกิยาที่เด็กเกี่ยวอาจหารชานไทย นี่แก่กล้าสา ม, มารถไม่สะทกสะทานไม่อ่อนแอมีความเข้มแข็งเป็นประจําตนอี่จึงให้ชื่อว่าปราบกิริยาประเภทนี้ลึด อ, อาการที่ว่าปราบนี้ใช้กับกิเลสประเภทที่หึ้กเฮมดังที่กล่าวมานี้ธาประเภทเรียบๆธรรมดาธรรมะก็เป็นประเภทเรียบๆแต่ให้เหนื้อสิ่ง น, นั้นอยู่เสมอ ไม่ยอมให้สิ่งนั้นกลับมาทำลายเราได้หรือว่าการชำระล้างหรือการประกอบความเพียรพูดอย่างสุภาพทั้งๆกิเลสนั้นมันไม่ได้สุภาพเลยประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสอันเป็นค่าสืบต่อทำแล้วจะไม่มีความสุภาพในธรรมชาติของมันเลยอาการในแสดงออกมาจะเป็นพิษเป็นภัยต่อเราทั้งนั้น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 ท่านทราบโทษของมันได้ดีพอเป็นได้ประกาศทมเครื่องสังหารเครื่องชร ะ, ล, ะล้างหรือเครื่องประหัดปรหารลงเป็นเสียงเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่เคยชมเชยสิ่งที่เป็น้าศตศต่อธรรมที่ให้ชื่อวักกิเลสนี้ว่าเป็นของดีมีคุณค่ามีราคาเลย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 ผิดเพี้ยนไปจากกันแม้นิดหนึ่งเลยส่วนใดที่ถูกต้องแล้วส่วนใดที่แยกแยะ ก, กันบ้างท่านก็ประกาศเอาไว้เช่นถ้าชนมายุบางองค์ก็มีพระชนมายุยืนนานเช่นเป็นหมื่นหมื่นปีหรือหลายหลายหมื่นปีนี่ท่านก็แสดงเอาไว้มีพระชนมายุน้อยดังพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็ทรงแสดงเอาไว้นี่คือความแตกต่างกันอย่าง พระจริระและการลงโสวตสังฆกรรมมันมีแตกต่างกันเป็นเจ็ดปีย่นลงมาย่นลงมาจกนกระทั่งปีหนึ่งลงโสวตทหนหนึ่งก็สามารถยังความสามัคคีแห่งพระสงฆ์ให้กลมกลืนกันได้จนถึงวาระแห่งการประชุมรงปฏิโมกอีกทีหนึ่งเช่นรอบเจ็ดปี งตรวจปฏิโมกประชุมสงสักครั้งหนึง่งดังนี้พระสงฆ์ก็อยู่ได้ด้วยความสงบสุขไม่มีความแตกร้าสามะขีกันจนย้อนลงมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเรา15วันประชุมสงลงอุโบสถสักหนึ่งพอดีแากความทรงอยู่ของพระสงฆ์ไม่แตกร้าสามะขี่ท่านมากกว่านั้นหรือนานกว่านั้นไม่ได้นี่ พระองค์ก็ประกาศเอาไว้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้ช <c oughs> วนศาสนาธรรมไม่ว่าฝ่ายโทษไม่ว่าฝ่ายคุณที่ทรงแสดงออกเหมือนกันหมดจะเพอย่างยิ่งแสดงแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อสัตว์โลกทั้งนั้นทำทั้งหมดเป็นเครื่องชําระสาสารกิเลสอันเป็นตัวพิษตัวภัยต่อสัตว์โลกโดยถ่ายเยียวหากว่าธรรมชาติ นี้ได้หลุดพ้นไปแล้วการแนะนําสั่งสอนก็หมดลงทันทีเช่นพระพุทธเจ้าเช่นพระสาวกอรหรัรนองค์ใดที่สําเร็จแล้วองค์งนั้นก็เป็นอันมาหมดปัญหาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่มีคําว่ากคำนิอไม่มีคําว่าจะจะมีชีวิตต่อไปอีกหรือสื่อพบสืบชาติเกิดแก่เจิบตายเหมือนดังดังที่จิตซึ่งเป็นสามันอยู่แต่ก่อนนั้นเลยนี่นี่หลวพระพุทธเจ้าท่านสอน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 ที่เปิดเผยเท่านั้นที่ปิดบังลี้ลับหรือเป็นที่กำบังเช่นในถ้ำเงมผาเป็นต้นพระอาทิตย์ไม่สามารถที่จะส่องทะลุเข้าไปได้แม้จะมีร้อยดวง <c oughs> ก็ไม่มีความหมายแต่ปัญญานี่สามารถแทงทะลุผุผ่มไปหมดในบรรดาสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีทั้งหลายและเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เป็นข่าศิษต่อใจได้จะทำ ในสัพพุกติศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสจะมีเป็นส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดขนาดไหนจะไม่พ้นสติปัญญานี้แทงทะลุอุพรมงและทำความสว่างกระจ่างแจ้งตลอดถึงการปราบปรามห ร, รือชาล้างให้หมดสิ้นไปได้โดยตลอดทั่วถึงนั้นเป็นอันไม่มีต้องกระจายไปหมดนี่ชื่อว่าปัญญาความสว่างกระจ่างแจ้งทุกท่าน ที่มาปฏิบัติถงน้อมใจลงสู่หลักฆาตังาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ผิดฝังในการดำเนินในขณะเดียวกันระวังอย่าให้สิ่งที่เคยมีอำนาจฉลาดแหลมคมเหนือเราอยู่แล้วคอยแทรกหรือสวมรอยในขณะประกอบความเพียรจะไม่ได้ผลประโยชน์อันใดเลย เนี่ยสาคัญอยู่มากการประกอบความเพียรที่ว่าความเพียรคือว่าเพียรทุกด้านสติก็เพียรให้มีเพียรให้สืบต่อปัญญาถึงการจะใช้ก็เพียรพินิจพิจรารณาอย่าลดละจนเป็นที่เข้าใจในแง่แห่งธรรมทั้งหลายการพิจารณาสกุณกายนี้นี่เป็นสําคัญเจ้าว่าใช้สมองระภูมิท่านจึงบอกว่าก า, า, ายกายชะตาสติ คือสติตามรู้ในกายจะเป็นทุกสัตว์ทุกส่วนหรือแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็าตามแต่จะสามารถกระจายไปได้หมดรวมลงในกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนาาัตตาอาชุภะอาชุพังไม่พ้นจากนี้ไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักธรรมชาติของมันเต็มไปด้วยที่กล่าวมานี้อยู่แล้วแ ต, แต่เพียงว่าจิตของเราไม่มองข้ามไปข้ามไปหาสิ่งไม่มีหาสิ่งไม่เป็น คือกิเลสเป็นตัวจอมปลอมจะหาเศษสรรปัญนยอแต่สิ่งไม่มีไม่เป็นมาหลอกพวงสัตว์โลกที่โง่เขลาว่ฏปัญญาเรื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าเรื่องถ้ากิเลสหลอกพวงแล้วจะจะล้มละนาวกันตามกันไปหมดไม่ว่าจะได้รับความเศษสรรปัญนยอหรือสรรเสริญย่อมาสูงขนาดไหนจดฟ้าก็ตามว่ามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นไหนก็ไม่พ้นที่ทจะล้มละนาวไปตามกิเลส ตัวหลอกลวงจนได้เนี่ยนี่นี่เราจะเห็นได้ชัดชัดอย่างนี้ <c oughs> นสิ่งที่ละเอียดมากหลอกสัตโลกได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องของกิเลสมันจะตอมแปลงเรื่องต่างๆมาไม่ได้เอาความจริงมาพูดไม่ได้เอาความจริงมาหลอกไม่ได้เอาความจริงมาให้เรารู้เราเห็นมันจะเอาความแต่ความจมปลอ ม, อมทั้งนั้นมาร้อยทั้งร้อยเพราะตัวกิเลกก็เป็นตัวจำปลอ ม, อ, มอยู่แล้ว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 มันสดสวยงดงามดังที่สิกิเลสเสรกสรรตั้ง ย, ย่อไปตืนมาข้าวจนกระทั่งถึงหนังเอาหนังเขาหนังเราหนังหญิงห น, งงนังชายมันแตกต่างกันที่ตรงไหนทําไมจึงได้ติดได้ผันได้รักได้ชอบกด้ลหลงไหลฝ่ปันโดยเฉพนนักหนาไมนมีความจีดความจางตั้งแต่กลับไหนกันได้แล้วหลงหนังหลงสินเหล่านี้หลงมานานแต่นานเนี่ยทําไมไม่มีวันอิ่มพอนี่แล้วมันสวยมันงามที่ไหนดูที่เรื่องของกิเลสเสกออกมาแล้วเราติดตามที่มันว่านั้นไหม ชวนทำท่านว่ามันหาความสาระแก่สารไม่ได้แล้วมันหาความสะอาดสะอานไม่ได้หาความสวยงามไม่ได้ทั้งที่เกิดที่อยู่ห้องหมันมีแต่สภาพปฏิกูลโสโครมีแต่สิ่งที่แปรสภาพไปหมดอันนี้จังก็อยู่ตรงนี้ทุกครั้งก็อยู่ตรงนี้อานาตาก็อยู่ตรงนี้หาสถาบุคคลที่ไหนมีนี่คือธรรมท่านกล่าวตามหลักความจริงแต่ที่เหล็กคือโกงกันข้ามทางนั้นเนื่องเป็นของสวยของงามอา้าวถ้าว่าเป็นหนึ่ง สองว่าเป็นของกีรังถาวรเหมือนกับสิ่งเหล่านี้จะไม่แตกไม่ดับเลยสามสัตว์บุคคลเต็มในนี้หมดไม่ว่าอะไรอยู่ในนี้หมดที่ น, น, นี้หมดอันใดที่เป็นสิ่งจำปอ ม, ปรอมธรรมชาตินี้จะหลอกขึ้นมาหลอกขึ้นมาเนี่ยเล่าที่หลงอยู่แล้วถูกมันควบคุมอยู่ตลอดเวลายิ่งหาความจริงไม่ได้ภานจิตใจแล้วจะหาความสุขความสบายที่ไหนมีก็ต้องมีแต่จำปอมจําปอ ม, อ ม, ปอมสุกข์ก็จำปลอมอ ม, มันเสกสรรปัญญานั้นมาหลอก อ, อันนี้มาหลอก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 แต่ต้องย้อนเข้ามาหลอกภานจิตใจหลอกภายในจิตใจนี่อยู่ด้วยอารมณ์อันนี้แห่งหลอกหลอนหาความจริงไม่ได้แม้ว่าเขาว่าเราไม่ว่าสัด ต, ตัวใดอยู่ด้วยอํานาจของกิเลสหลอกลวงเนี่ยเราพิจารณาเลยทแล้วผลของมันเป็นยังไงโลกอันนี้มีมานานแสนนานใครได้ยินอยู่ที่ไหนว่าโลกคนนี้ที่เลสกิโสเลือดเลือดมีตรงไหนสัตว์โลกที่อยู่ในที่นี่ตัวสัตวโลกโลกสัตว์โลกตัวไหนเป็นตัวที่เลือดเลือเพราะอํานาจแห่งกิเลส ฉุดลากไปนั้นมีตัวใดเลิอดเดอร์มีตัวใดวดิเศษวิสูมันมีได้เกิดตัวที่จมอยู่ด้วยกันอันนี้กางทุกขังนาตาจมปรัสอยู่ด้วยของทุกความความทรมารนี่นี่ <c oughs> นันพูดถึงเรื่องปัญญาสอดแทรกกันไปกับเรื่องสัญญาความหลอกลวงเจ้าของผู้สัญญาคือความหลอกลวงไป <c oughs> สําคัญว่าอย่างนั้นให้สําคัญไว้ปัญญาพิจารณาสอดแทรกเข้าไปแต่กีนี้พูดไปถึงแค่ถึงหนัง แล้วเนื้อเอ็นก็ถูกเป็นยังไง อ, อะไรมันสวยอะไรมันงามมันถึงได้หลงว่านักหนาหลงมาตั้งกับตั้งกันไม่มีวังสล่างสั่งซามอมึ่แล้วเป็นยังไงถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแยกไปแย่ไปสอดส่องมองลงไปแล้วจะไม่เห็นความรุ่งหลงของตัวเองจะไม่เห็นความเลวไหลของตัวเองและจะไม่เห็นตัวหล อ, อกลวงคือตัวของกิเลสที่เป็นอัรรมแทรกอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันนั้นกับธรรมที่จะเกิดนั้นธรรมยัง ถ้ามีอำนาจก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถูกมันปัดมันเตาหรือมันเตะมันถีบตกมันลังไปคือใจตรงนั้นแหละตกลงไปถ้าทํามีสติมีบปัญญาเป็นต้นมีกําลังมากแล้วก็จะต้องทุกสิ่งจำปอนทั้งหลายก็ต้องถูกทํำลายดังที่กล่าวว่านั้นสวยนี่งามเป็นต้นอันนั้นเป็นนิจจังอันนี้เป็นถุก ข, ขังอันนั้นเป็นอัตตาเห่านี้เป็นเป็นต้นจะไม่มีอะไรเหลือ เพราะสิ่ง น, นี้เป็นจิ่งจงอมปลอมเมื่อปัญญาได้อย่างทราบลงไปแล้วจะเป็นไปตามหลักธรรมชาติ <c oughs> คืออนิจจังทุก ข, ขังอนัตตาอจุพะอจุพังเกลื่อนไปอยู่ในร่างกายของเราของเขาเกื่อนไปในโลกภพหลับทั้งหลายเกิดเจ็เจ็บตายเพราะความหลงของกิเลสที่หลอกลวงนี่แหละแล้วการเกิดเจ็เจ็บตายใครได้ยินว่าใครมีความสุขคนนั้นเกิดสุขมากคนกกนี้เกิดสุขมากนีไหม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 บำลมมาสุขหาความสุขอันแท้จริงไม่ได้เลยนี่เพราะอำนาจแห่งความรุ่งหลวงเป็นที่เป็นประตามกิเลสตัวกิเลสจริงๆมันให้ความสุขแก่ผู้ใดเพราะฉะนั้นผู้หลงที่ตามสิเลสจึงหาความสุขไม่ได้นี่เกือบแฝงเกือบแฝงไปนิดๆนิดเท่านั้นเหมือนกันกันกบเหยือกเขาใส่ปลายเบ็ดนะ่ะติดไว้ปลายเบ็ดนั้นให้ตาตัวงูหลงแล้วคืนทั้งเบ็ดพอคืนไปแล้วก็เสร็จมัน ที่ว่าบรมสุขเป็นยังไงถามต่งางเป็นทางเดินเพื่อบรมสุขเพื่อละสิ่งที่เป็นมหาหันตะทุกมหาตทุกเหล่านี้ที่ถามไปแต่กินนี้ว่าอันไดเป็นบรมสุขเป็นบรมสุขเป็นบรมสุขมันจะเอาบรมสุขมาจากไหนก็มันเป็นมหาหันตะทุกทำ ง, งานตั้งแต่ทุกเล็กทุนน้อยก้าวเข้าไปหาหลักใหญ่ก็คือมหาันตะทุกมหาตะทุกทั้งมวลเกิดก็มหาหันตทุก ความแก่ความชาราค้ามข้าทุกอย่างก็มหันตทุกข์ความตายก็มหันตัดทุกข์ทุกสิ่งตัวอย่างมีแต่เรื่องมหันตทุกข์มหันตทุกข์บีบคั้นจิตใจอยู่ตลอดเวลาถึงกับฆ่าตัวตายก็ยังมีเราไม่เห็นเหนือใครจะปฏิเสธกันได้แม้แต่ทางนิพพินเขาก็ยังลมอยู่แทบทุกวันเรื่องฆ่าตัวตายเป็นยังไงมหันต์ตัทุกข์ไหมทุกจนกระทั่งจะอยู่ไม่ได้หรืออยู่ไม่ได้ในโลกแบบนี้กว้างแสนกว้างทับ เอาตัวรอดว่าเป็นยอดดีแล้วฆ่าตัวตายิ่งเป็นมา ร, รทุกข์อันใหญโตซ้ําเข้าไปอีกนี่เพราะความหลงท้าแล้วซ้ําเล่าอยู่อย่างนี้มันดีแลหรือมนุษย์มันดีแลหรือโล ก, กอันนี้เป็นมา ร, รทุกข์มา ร, รทุกข์อยู่อย่างนี้ถ้าไม่แก้ภ า, ายจใจิตใจดวงที่ลุ่มหลงอยู่นี้ด้วยหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงสอนไว้ประกาศตำมานอยู่นี้แล้วจะไม่มีวันพ้นไปได้เลยมนุษย์เราและสัตว์ทั้งหลายแล้วอย่าคาดว่าชาตินั่นคาดนี้อย่าคาดคาดไปเฉยๆด้วย อำนอาจแห่งโมฆะและสัญญาอารมณ์ที่หลอกตัวเองซึ่งเคยหลอกตัวมาแล้วทั้งนั้นแหละให้สมหวังไม่สมถ้าต้องการความสมหังให้เอาลงที่จุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างไรนี่แหละเป็นจุดที่จะสมหังโดยไม่ต้องสงสัยเอาพิจาณาไปเกเสาไปอย่างไงนักปฏิบัติดูให้ดีโลมาณขาตันตาตะโจดูให้ดีนี่แหละเป็นสถานที่ที่จะให้ดิดจิตใจออกพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายจนถึงขั้นบรมสุขยจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยนี่เป็น เนี่ยทางแห่งบรุษ ม, มสุขหรือสันติธรรมอั น, นาจค้าบจะไปจากการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาลงไปความสายแสของจิตสายแสมาตั้งแต่มันเกิดจนมาทั่งถึงวันนี้ทําไมไม่เบือ่อทาไมไม่อิ่มพอจะย้อนติดเข้ามาสู่การยับยั้งเพื่อความสงบใจด้วยบทธรรมบทใดบทหนึ่งเหล่านี้ทําไมจะทําไม่ได้เราเป็นมนุษย์ทั้งคนลูกศษิษย์สถาโกดธรรนี้ไม่ใช่ทําพ่ายแพ้เป็นธรรมจิต แต่กิเลสหรือค่ากิเลสสังหารกิเลสได้ชัยชนะมานานแสนนานแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดถึงสาวกทั้งหลายแล้วได้เคยกระเทือนโลกมาสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์แล้วตั้งแต่ได้ชัยชนะเพราะการปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมือด้วยอาํานาจแห่งธรรมนี้เหตุใดเรานําธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติจะเลวไหลจะแพ้จะเลวแหลกแบกบแนวไปได้อย่างไงถ้าไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ศร akah ลูกศิษย์พระเทวทัตเท่านั้นต้องชี้สิกาปรปฏิบัติ มีแต่อยู่ไปกินไปเฉยคาดนั่นคาดนี้พบนั้นพบนี้จะดีอยากไปที่ใดนี่ใดอยากเท่าไรมันก็เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาต่อเปลาไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าอยากพ้นจากทุกข์จริงให้ลงลงตามความอยากคืออยากปฏิพิบตปฏิบัตอยากประกอบความภาคเพียพรพิจารณาและพิจารณาให้เห็นยิ่งเหมือนอยากพ้นทุกอยากพ้นทุกมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด่นเด่นมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นชัดิตกไปโดยลําดับลาดานยิ่จะดิ้นรนกระวนกระวายกวาดแก่งขนาดไหนก็ตามถ้าลงได สติได้บงังทับเข้าไปใส่บททำบทใดก็ตามให้อยู่ในนั้นแล้วจะต้องมีความสงบพ้นจากอํานาจของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมนี้ไปไม่ได้เลยให้พากันมั่นใจในการคุณปฏิบัติแล้วจะได้เห็นความความสุขตั้งแต่สันติธรรมโดยลําดับต่างๆในขั้นสมาธิและขั้นปัญญาจนกระทั่งถึงขั้นบรมสุขจะได้ปรากฏสัมผัสที่ใจของเราเองรู้ที่ใจของเราเองเห็นที่ใจของเราเองพ้นจากใจ พ้นจากทุก์ที่ใจของเราเองเป็นบ ร, รมสุขที่ใจของเราเองจะไม่มีที่อื่นใดเป็นบรมสุขจะไม่มีที่อื่นใดเป็นความสุขความเจริญที่อันยอดเยี่ยมนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นเด่นเป็นดินน้าเป็น น, น้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินผ้าอากาศเป็นผ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆเต็มโลกธาตุเป็นสิ่งนั้นๆต่างหากไม่ใช่บรมสุขไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ควรจะไปหลงในสิ่งนั้นไม่ควรจะไปหมายไม่ควรจะไปตื่น ตื่นโยมตื่นแรงเคยตื่นมากี่กับกี่กันแล้วยังจะตื่นยิอีกเหรอตื่นไปทั้งเลยก็ยิ่งได้รับความทุกข์ความทรมาดั้งที่เป็นมาแล้วนี่เองไม่สงสัยจะต้องเป็นอย่างนี้โดยแท้เพราะะฉนั้นจงให้พยายามย้อนจิตเข้ามาสู่หลักธรรมทามจิตใจของตนให้มีความมั่นคงต่อบทธรรมทั้งหลายต่อความเพียรเอาจะ ก, กําหนดพุทโธก็เอาให้แน่นแ น, แน่ลงไปแน่แนลงไปในพุทโธใน ท, ทําบทใดก็ต่างกำหนดอนัตตา น, าานาัตติกือลอมหายใจออกก็ให้รู้อุู่กับลมนี้เท่านั้นเหมือนกับว่าโลกกระาธาตุนี่ไม่มี เหมือนกับสิ่งใดๆไม่มีในโลกมีแต่ความรู้กับคําบริกรรม่เท่า น, านั้นถ้มันจะสงบไม่ได้อย่างไรกิจนี่ต้องสงบได้โดยไม่สงสัย <c oughs> เอาให้จริงให้จริงชนะปจิบัติทำลุงล <c oughs> ดอนดอนดูไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่ ง, งแล้วมีแต่ความหวังความหวังหวังอะไรเหตุไม่มีจะเอาคําสมหวังมาจากไหม่มันไม่ได้สมหวังนะเราอย่าหลงถูกเราถูกหลอกถูกต้มมานานแสนนานเนี่ยถ้ากางปีนี้ปีหน้าการแสดงธรรมกนทุกวันเท่านี้วันนี้ไม่พุ่นมากนะ เป็นไงล่ะผู้ปฏิมาใหม่เข้าใจไหมล่ะจิตพระอะไรแกล่ะเหล่านั้นนที่เทศวันนี้เข้าใจหรือเปล่าละ่ะทางเข้าใจไหมละ่ะ เ, เข้าใจอยู่เหร อ, อก็เคยได้ยินอยู่แล้วในแทศกว่าเทศเหมือนกันนี่แหละในเทศอ ย, อย่างอื่นผมเทศไปไม่ได้ล่ะมันเหมือนไปหาเกาที่ไม่คันฟาดลงไปในนี่ยในหัวใจเนี่ยถูกผูกถูกมัดถูกบีบบี้สีไฟก็คือใจตรงนี้เปิดใจตรงนี้ออกแล้วมันก็สว่างจ้าไปหมดเลย หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงสมมุติอะไรก็ว่ากันไปงั้นนะ่ะมันไม่ได้มีในหัวใจไม่มีในใจสียอย่างเดียวเพราะนั่นทำแ <c oughs> ต่ตอันธบริจ้ากันธุ์สอนพระโมคคัลราชถึงนี้ตวโลกาเวชคสุโมคคราจะสดาดจะโตด้วยาโมคคราชเ ป, ป็นพญานาโลกให้เป็นของว่างเปล่าเนี่ยแล้วไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกคาว่าเป็นของว่างเปล่าคือมันไม่มีไม่มีคําว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่มีอะไรภายใน จ, จิตใจมันปล่อยไปสมยหมด มองดูใจของเขามันว่างเปล่าไปหมดโลกอะไรวัถตถุและธาตุต่างๆแม้แต่ภูเขาจะลูกเท่าก้อนโลกนี้ก็ตามเถอะมันจะไม่มีในหัวใจมันว่างไปหมดเลยถ้าใจได้ว่างได้วางแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้ว่าสุญัตโตอ น, นิโตโลกกังนุมองดูโลกเขาเป็นของว่างเปล่าตลอดการทุ่งเมือนสดาสะโตนะ ตลอดการตรงเมือ่อพิจารณาไปไปตลอดการตรงเมือ่อแล้วมันจะได้เห็นความบ้างเปล่าโดยหลักธรรมชาติของมันเอาขยข้ขอนิ่ัใสขอจดัดดีนะ